เรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและกันภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุจำพรรษาแล้วปวารณาด้วยเหตุสามสถานคือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยเนึ้อสงสัยการปรวารณานั้นจักเป็นวิธีที่เหมาะสม mm hmm. เพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและกัน mm hmm. เป็นวิธีออกจากอาบัตเป็นวิธีคารพระวินัยของภิกษุเหล่านั้นวิธีปวารณาภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าสภพสังคาหิตกายติข้อสองท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันปวนารณาถ้าทรงพร้อมกันแล้วทรงพึงปวารณาภิกษุผู้เทระพึงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระยองพระนมือกล่าวกับสงอย่างนี้ว่าเทวาจิกาปรวรรณาท่านทั้งหลายกระผมขอปรวรณาต่อสงด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจักได้แก้ไขต่อไปท่านทั้งหลายแม้ครั้งที่สองกระผมขอปรวรรณาต่อสง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 ภิกษุผู้นวาวกะพึงหงุ่มุทราสงชีวเวงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมือกล่าวกับสงอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญกระผมขอปรวรรณาต่อสงด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจากได้แก้ไขต่อไปท่านผู้จเจริญแม้ครั้งที่สอง กระผมขอปรวรณาต่อสง์ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุนเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื um, ่อกระผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปท่านผู้เจริญแม้ครั้งที่สกระผมขอปรวรณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุนเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบ จากได้แก้ไขต่อไป